ครับลำดับนี้ขอการปรารถนาท่านพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชได้เมตตาบันจ่ายธรรมให้กับคณะญาติโยมสาธุชนชาวราดพร้าวบางกะิจตุจัจกบางเขนได้รับฟังในโอกาสต่อไปขอการปรารถนาครับกลับท่านอาจารย์คําจันทร์นะครับแล้วก็พระเถรานุเถระอาจารย์พรโยมทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อมาเจอพวกเราในงาน ของหลวงปู่นะหลวงปู่ท่านก็แสดงธรรมะให้เราดูละท่านบรณภาพให้เราดูพวกเราเองก็ยังไม่แน่ได้ข่าวว่าพื้นสาลาไม่แข็งแรงใช่ไหม <laughs> งั้นไม่แน่นะว่าจะฟังได้จนจบชีวิตจริงๆเป็นของไม่แน่นอนนะชีวิตเราเต็มไปด้วยความแปรปรวนตลอดเวลาคนที่มีสติมีปัญญาก็ต้องเตรียมตัว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 หรือว่ามีไฟสะเก็ดไฟตกลงมาใส่หัวของเราเองเราต้องปัดของเราเองใช่ไหมสุดท้ายก็คือมันรักตัวเองมากที่สุดนะ่นะะนั้นเราคอยดูนะใจมันเกิดความอยากอะไรขึ้นมาเนี่ยมีสติคอยรู้ไปนะความอยากมันจะดับโดยอัตโนมัตินะไม่เฉพาะความอยากและกิเลสอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรามีสติรู้ลงไปมันจะดับอัตโนมัติ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 จริงท่านนั่งหลับตาไว้นะท่านสอบประวัติเราดูเสร็จแล้วพอลืมตาท่านก็สอนเนี่ยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองยท่านถามเข้าใจไหมตอนนั้นปลื้มนะว่าท่านหลับตามานานตอนนี้ท่านลืมตาพูดกับเราแล้วท่านถามว่าเข้าใจไหมหลวงพ่อปลื้มมากเลยเข้าใจครับอย่างเงี้ยท่านบอกเออเข้าใจแล้วไปไปทําเอาน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 เมื่อไรรู้กายเมื่อไรรู้ใจแต่รู้ด้วยการไปเพ่งให้มันนิ่งเมื่อนั้นเป็นสมถมะเมื่อไรรู้กายเมื่อไรรู้ใจเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานเมื่อนั้นเป็นวิปัสนานะดูการทำงานของกายดูทำงานของใจนะนั่นถึงจะเป็นวิปัสนาถ้าเพ่งอยู่ที่กายเพ่งอยู่ที่ใจเป็นสมถนะอา้าวถามหน่อยเวลาเรารู้ลมหายใจเรานั่งสมาธิ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 นะจนวันปีสองห้าแล้วมาเจอหลวงปู่ดุลีเข้าท่านสอนให้ดูใจมันทํางานเนี่ยความมีสติรู้เขอยู่ที่แกใจนะเห็นใจมันทํางานเลยมันก็จะรู้กายด้วยเวลาดูจิตดูใจไม่ใช่ดูเห็นแต่จิตนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยนะอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยตอนหลับเนี่ยหลายคนยังรู้สึกตัวได้เลยนะตอนนอนหลับอยู่เนี่ยฟลิกซ้ายฟลิกขวาเนี่อรู้ตัวได้ตลอดเวลาเลยนะสติมันทํางานได้อัตโนมัติต้องฝึกจนอัตโนมัตินะ กิเลสไหลมาแว บ, บสติรู้ไหลมาวับสติรู้ไปตลอดนะนะขาดสะบั้นไปขาดสะบั้นไปเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับนะเกิดแล้วดับนะเล่าดูไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกง่ายๆแต่ต้องอดทนข้อแรกทําให้ถูกหลักเมื่อทําถูกหลักแล้วต้องอดทนทําแล้วทําอีกไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวดูวันหนึ่งดูครั้งเดียวนะแล้วก็หลงทั้งวันอีกหลายๆวันกลับมาดูอีกสองสามนาทีแล้วก็ลืมไปอีกอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกนะ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 พี่นาอะไรอ่ะไหนนั่งให้ดูซิตรงนี้ผิดแล้วไปน้อมใจให้ซึมผิดไปแล้วตรงนี้พอเริ่มนั่งก็ไปน้อมใจให้ซึมซึมลงไปเราคิดว่าความซึมคือความสงบความซึมเป็นโมหะนะต้องนั่งไปด้วยความรู้สึกตัวไม่ให้ใจเคลิมลงไปนั่งด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้บ่อย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 เออนั่นแหละเพราะว่าใจมันกงนังวลนะวิธีที่จะพักของคนที่สติแก่กล้าคือการทำสมาธิทำสมถะนะถ้าไม่งั้นมันไม่ยอมพักหรอกเอาไงดีเยอะจังอันนี้บ้างาเป็นยังไงพิจารณายังไงของคุณโดยจริตเนี่ยนะเป็นคนช่างคิดคนช่างคิดเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะนะั่นคือการดูจิตใจตัวเอง